เราก็ใช้ใช้หูนะแล้วก็ใช้ใจในะนการรับฟังนะหูคืออวัยวะภายนอกนะที่รับฟังเพื่อให้เราเข้าใจภาษาความหมายแบบสมมุตินะแต่เราก็ต้องใช้ใจนะเพื่อให้เข้าถึงความมิมุติหรือว่าเข้าถึงความความจริงแท้ หรือว่าความพ้นพ้นจากการติดสมมุตินะเราอยู่กับโปรคอะ่ะมันมีเรื่องราวที่เป็นทั้งเรื่องที่สมมุติแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความจริงแท้นะักปราชญ์พระเรียกว่าปรมัตดนะสมมุติกับปรมัตดเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันเนะี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ย เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าติดสมมุตนะิติดสมมติมันก็เลยเกิดปัญหากันนะนะคนเราเมื่อหลงในสมมุตนะิติดในสมมุติมันก็เลยเกิดปัญหาจากสมมตินี่แหละนะนะลองดูดีๆปัญหาทุกอย่างนะในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็คือว่าการที่เรา ไปหลงไปยึดติดในสมมตนะิเอาแค่ปัญหาในระดับอในระดับตัวของเราเองนะก็คือเราก็ลงติดสมมุติว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆเราก็เลยเมื่อร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็เลยทุกข์เราก็เลยเครียดเราก็เลยไม่อยากพลากนดะจากร่างกายนี้ เพราะว่าคนก็หลงกิศสมมติว่าร่างกายนี้เป็นของเราเนาะร่างกายนี้เราต้องอนะยื้อให้มันมากที่สุดเนะมันก่็จะยื้อได้นะคล้ายๆอย่างที่เคยพูดว่าร่างกายเนี้ก็คือเรายืมมาจากธรรมชาติเนาะแต่พอธรรมชาติเขาจะเรียกคืนเะน่ะเราก็ดื้อเนะี่ยเราไม่อยาก เราก็ไม่อยากที่จะคืนให้กับเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะเราก็รักษานักแหละนะแต่บางทีเราก็ห่วงแหนคล้ายๆมาเป็นของของเราจริงๆนะทั้งที่จริงเราก็เราอาจจะมีสัญญานะอยู่กับธรรมชาติมาก่อนอย่างนั้นนะ <c oughs> เราเกิดขึ้นมาล้วอาจจะมีสัญญากับธรรมชาติแล้วเราต้องตายนะเป็นการคืน คือร่างกายนี้ให้กับธรรมชาติแต่สัญญาฉบับนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราต่อสัญญากี่ปีแต่พวกเราหลายคนกใญญ็ใช้สัญญาในการยืมร่างกายนี้มาสามสิบนสะี่สิบห้าสิบหกสิบปีแล้วนะไม่รู้จะเหลือสัญญาอีกกี่ปีนะ แต่ให้เรารู้ว่าอันนี้คือสมมุติที่เรายืมยืมธรรมชาติเข้ามาใช้เมื่อถึงวันหนึ่งที่เขามาเรียกร้องจ ะ, อจะเอากลับไปเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้คือความจริงความจริงคือเรายืมเข้ามาไม่ใช่ของเราจริงๆริงนะแต่ถ้าคนติดสมมุติก็จะห่วงแขนก็จะทุกข์ใจมาก แต่ถ้าคนเข้าใจความจริงแท้ตัวนี้มันก็เป็นเรื่องเข้าใจเป็นเรื่องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินมันเป็นเรื่องปรมัตาร์นี่คือเรื่องของร่างกายนี้ก็ดีเนี่ยเรื่องทรัพย์สินสมบัติเรื่องของคนรักเรื่องของคนที่เราปลูกพัน์ก็ดีเรื่องของชุมชนเรื่องของสังคมหรือเรื่อง ไม่แต่ของประเทศชาตินะมันก็เกิดปัญหาเพราะว่าคนคนติดสมมตินี่แหละนะติดสมมุติว่าอันนี้คือของของเรานะใช่ไหมเราก็เห็นข่าวบางทีมรดกนะแทนที่จะทำให้เกิดความสบายขึ้นนะมรดกก็กลายเป็นมรดกเลือดนะต้องฆ่ากันต้องฟ้องกันนะ เพื่อแย่งทรัพย์สินสมบัตินั้นมาหรือเราก็เห็นคนทางโลกนะทรัพย์สมบัติมีค่าบางทีไม่ได้มากนะแต่ก็ถึงขั้นต้องฆ่ากันตายต้องทำร้ายกันหรือบางอย่างมันเป็นเรื่องติดสมมุติที่มันเป็นเรื่องของนามธรรมก็มีนะเช่น ความคิดอุดมการทางการเมืองต่างกันความคิดเห็นในเรื่องแนวทางอะไรต่างๆแตกต่างกันบ้างถ้าถึงขั้นดายแรงก็คือก็ฆ่ากันหรือว่าก็ขังกันใครมีอำนาจ ก, ก็กดคนที่ได้อำนาจหรือถ้าเป็นเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันธรรมดาก็เนี่ยแหละ ก็ด่ากันก็เกลียดกันก็ไม่ชอบกันอันนี้คือหรือถ้าเป็นระดับประเทศชาตินะพอคิดว่านี่คือผลประโยชน์ของประเทศนะก็คิดแต่ว่าเอาประโยชน์เข้าประเทศมากที่สุดประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าโลกนี้จะเสียหายอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เราทำถูกแล้วที่เราสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราเองส่วนโลกนี้หรือประเทศอื่นจะเสียหายคนในประเทศต่างๆอืจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอันนี้ก็หลงติดสมมตินะติดสมมติว่าประเทศนี้เป็นของเรานะเราต้องสร้างนะประเทศเราให้ดีที่สุดส่วนที่อื่นจะเป็นอะไร ก็เรื่องของเขาแล้วอันนี้ก็คือการมันคนมันหลงสมมติได้นะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะหรือหลงสมมติสองแบบนะแบบหนึ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้เห็นได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือหลงสมมุติที่เป็นนามธรรมคือสิ่งที่เป็น ความคิดความเห็นความรู้สึกนะความเชื่อนะอันนี้คือมันก็ชวนให้หลงนะเมื่อหลงแล้วก็เลยเกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจนะพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้เรานะอย่าพึ่งปงใจเชื่อนะ ทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่มันที่เรที่เกี่ยวข้องนะอย่าพึ่งฟงใจเชื่อหรือจะจะพูดอีกอย่างก็คือว่าท่านบอกอย่าพึ่งเชื่อความคิดนะอย่าพึ่งเชื่อนะความคิดแม้ความคิดนั้นจะมีตักกะเหตุผลแม้ความคิดนั้นจะเป็นสิ่งที่ คนส่วนใหญ่เขาก็เชื่อหยู่คนโบราณเขาก็เชื่อกันมาอย่าพึ่งเชื่ อ, อเพราะว่ามันชอบใจที่เข้าได้กับกับความเห็นความคิดของตนหรือสุดท้ายไม่แต่อย่าพึ่งเชื่อแม้แต่ว่าผู้ที่พูดนี้นะเป็นครูของเราเป็นคนที่น่าเชื่อน่าเคารพรือท่าน ชี้ให้เราเห็นว่าเราทุกข์หรือว่าบางทีเราไปยึดเพราะว่าเราไปเชื่อนะเราไปเชื่อแบบเป็นจริงเป็นจังเราไปเชื่อแบบไปยึดมั่นถือมั่นนะไอ้ตัวนั้นแหละคือปัญหาเมื่อเชื่อแล้วบางทีมันไม่อยากจะถอนความเชื่อนั้นอนะหรือเมื่อเชื่อแบบนี้แล้วคนอื่นเชื่อต่างมันก็เลยเกิดปัญหาทนะาเลาะบาะแว้งกันเพราะว่า เชื่อว่าความคิดของเราถูกความคิดของคนอื่นผิดความคิดของเราดีความคิดของคนอื่ น, นะมค น, ค น, นไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีสติปัญญานะเราจะเห็นว่าความเชื่อมันก็คือความเชื่อแต่เราไม่ไปยึดว่าเราเป็นผู้เชื่อแบบนั้นความคิดมันก็มีแต่เราไม่ไปยึดว่า เราเป็นผู้คิดนะเราอยู่กับโลกอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดหรือความเชื่อนะหรือความรู้สึกตามเขาเรียกว่าตามวาสนาที่สะสมมาเนาะวาสนาในที่ไม่ใช่แบบวาสนาที่แบบไปในทางดีนะวาสนาคือเหมือนนิสัยใจคอจะดิบนะ ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีวาสนาที่ที่แตกต่างกันนะอืมันก็เกิดใจเป็นความเชื่อที่ต่างกันเกิดความเห็นที่แตกต่างกันเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในเรื่องบางอย่างแตกต่างกันอบบืสมมุติเอาแบบห ย, ยาบหยาบเนาะเอาแบบหยาบยาบเช่นเช่น อุจระนะหนึ่งกองนะสัตว์หลายๆชนิดนะเช่นนอนนะหรือมแมลงบางชนิดเนี่ยเขาก็มองอุจระนั้นคือสิ่งที่เป็นสวรรค์ของเขานะเป็นแหล่งอาหารของเขาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาแต่ในะสัตว์หลายๆชนิดนยะ อุจระนั่นคือของสกรปรกของเน่าเหม็นไม่เข้าใกล้อไม่ไปเหยียบไม่ไปจับอุจระหนึ่งกองเนี่ยสัตว์บางชนิดมองเป็นสวรรค์สัตว์บางชนิดมองเป็นอสิ่งสกรปรก เ, เป็นสิ่งที่ถ้าจะเทียบเหมือนเป็นนรกก็ได้อันนี้คือสมมุตินะสมมุติที่ ท่ัตแต่ละชนิดนะมีความให้ค่าแตกต่างกันเนาะแต่ถ้าปรจจตบัจริงๆนะสมมติอุจจระมันก็คืออุจจระมันไม่มีว่ามันไม่ได้แบบว่าดีหรือไม่ดนะีความดีหรือไม่ดีนั่นคือสิ่งที่แต่ละคนแต่ละสัตว์แต่ละชีวิต ไห้ค่าแตกต่างกันจเฉยๆ ม, มันก็เป็นของมันแบบนั้นมันก็เป็นของมันแบบนั้นมันก็มีหน้าที่ของมันแ บ, บนั้นแต่บางทีเราก็ลงไปทะเลาะบอดแหวงกันเพราะว่าเราไปยึดในความคิดความเห็นของเราเ น, นี่ยแหละมีตัวอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์นะท่านมีปัญญามากท่านก็สแสดงให้ลูกศิษย์ได้เห็นนะอย่างหลวงพ่อชานะ ท่านก็หยิบไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาแล้วท่านก็ถามลูกศิษย์ว่าไม้ท่อนนี้สั้นหรือไม้ท่อนนี้ยาวลูกศิษย์บางคนก็เลยตอบไม้ไม้ท่อนนี้มันสั้นบางคนก็ตอบว่าไม้ท่อนนี้มันยาวบางคนก็บอกว่าไม้ท่อนนี้มันพอดีอ ความสั้นความยาวความพอดีของแต่ละคนเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราอยากได้ไม้นี้เช่นไปทำไม้ไม้สอยผ ล, ลไม้เนี่ยไม้แค่ประมาณ เ, ม, เมตรหนึ่งอย่เนี้ยมันก็เรียกเราก็ว่ามันสั้นเนาะเพราะว่ามันมันยาวไม่ถึงต้นไม้ถ้ า, ถาแต่ถ้าเรา ต้องการแค่ไม้นี้นะเอามาทําปืนแล้วก็ว่าไม้นี้มันยาวหรือใครที่ว่ากําลังต้องการไม้ขนาดเนี้ยพอดีเลยเม็ดนึงเนี่ยเราก็ว่ามันพอดีแตี่จริงไม้มันก็คือไม้มันก็ยาวเท่านั้นของมันแหละแต่ความที่เรารู้สึกว่าสั้นหรือยาวหรือพอดีเนี่ย คืสิ่งที่เราเอาสมมุติไปไปจับมันเนาะไปจับมันแต่ถามว่ามันก็มันก็อ ม, มันรู้สึกแบบนั้นได้นะก็ไม่ได้ว่าผิดนะแต่บางทีถ้าเราไปยึดแล้วก็อนะทะเลาะกันนว่าอันนี้เรียกว่าสั้นนะอันนี้เรียกว่ายาวนะอันนี้เรียกว่าพอดีน ะ, นะมันไม่จบฮะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเห็นที่แตกกัน แตกต่างกันหนะึ่งหรือว่าความต้องการที่จะไปใช้ประโยชน์ในการแตกต่างกันนะเราจะมาสดุปว่าไอ้ท่อนนี้สั้นหรือยาวมันไม่ได้นะมันเป็นสมมติมันเป็นสมม ต, นะมเมมติเหมือนอย่างที่นะท่านเวลานนะท่านไปชีนะ้มีพระมีโยมทะเลาะ ก, กันนะถามกัน หาเหตุหาผลกันลมมันพัดให้ธงให้ธงปิวนะหรือว่าธงมันปิวคล้ายลมไหวหรือว่าธงมันไหวนะมีธงอยู่บนยอดเสานะเพราะลมมันไหวหรือว่าเพราะธงมันไหวนะสองฝั่งก็ถกเถียงทะเลาะกันเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็ว่า เพราะมันมีลมมันก็เลยทำให้ธงมันไหวฝ่ายหนึ่งก็เพราะเพราะว่ามันมีธงทำให้มันเกิดการไหวขึ้นมาแต่จริงท่านเวลางไปชี้ว่าไอ้ตัวที่ไหวจริงๆคือใจนี่แหละใจเราไหวใจไหวไปเอาถูกเอาผิดเอาแพ้เอาชนะเอาชอบเอาชังแบบเนี้ย ตัวสาคัญจริงๆนะีนะ่ยการปฏิบัติธรรมนะเรื่องทางโลกที่เป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเราก็รู้เป็นือแตบสมมุติเนะอย่าไปเพราะเ่าะปอบแว้งโตเคียงกันนะแต่เราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะนะเห็นต่างกันคิดต่างกันเชื่อต่างกันก็ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนซักถามกันได้แต่ก็อย่าให้เรารู้ทันเมื่ออะไรที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมานะ ในความเห็นที่แตกต่างกันนะให้เรากลับมาดูตัวเรานะอย่าไปคิดแต่จะ่เอาคัดค้านเอาเหตุเอาผลนะกลับมาดูตัวเรานะแลกเปลี่ยนกันด้วยความรู้สึกที่เป็นปกติกันนะแลกเปลี่ยนในฐานะที่ทารับฟังแล้วก็เสนอแนะบบนั้นกันการอยู่ร่วมกันในในสังคมในชุมชนเนะี่ยมันก็จะ ก็เราก็ย่อมอยู่กับท้ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเรารักษาใจเนาะเรารักษาใจให้รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอให้รู้ทันความคิดความเชื่อที่มันเกิดขึ้นเมื่อสติรู้ทันนะรู้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เป็นตัวกระจกที่เราสะท้อนตัวเองนะ การเกี่ยวข้องการสัมพันธ์กับคนเนี่ยถ้าเรามีสติม น, นเหมือนกระจกมันสะท้อนให้เห็ น, นเห็นความรู้สึกเห็นความเชื่อเห็นความคิดเหตุผลอะไรต่างๆที่มันแสดงในในใจนี้นรวมทั้งเห็นคนอื่นด้วยาะเขาคิดเขาเชื่อเขารู้สึกอย่างไร แต่เห็นแล้วงานหลักสำคัญของเราจริงๆคือการกลับมารู้สึกตัวกลับมาให้ใจเป็นปกติกลับมาจากการที่หลงไปยึดหลงไปถือปล่อยมันออกไปแล้วก็กลับมานะกลับมารู้ทันอารมณ์นะเมื่อมันรู้ทันแล้วมันก็จะละอารมณ์นั้นได้ ใจก็จะกลับมาเป็นปกติได้แล้วก็เอาการเอางานต้นต้นนี้แหละเป็นตัวตัวภาวนาเนาะอันนี้คือการภาวนาแบบทางรัฐเนาะทางรัฐก็คือว่าทุกสถานการณ์ที่ที่เกี่ยวข้องนอะถือว่าเป็นเรื่องของการภาวนาได้ได้ทั้งหมดเลยเนาะนคือการกลับมารู้ทัน นะรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในใจก็ดีเนี่ยแหละนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะสิ่งที่มันกระทบจากภายนอกว่ามันเข้าสู่ภายในเนี่ยนะมันเร็วมากนะแล้วก็ปัญหาก็คืออยู่ตรงนี้แหละไม่รู้ทันตัวเองนะมันก็เลยเกิดเกิดไปหลงหลงสมมติต่างๆเนะี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เราตระหนักนะ หนักให้รู้เท่าทันความเชื่อความคิดเหตุผลต่างๆนานาที่มันแสดงนะที่ที่มันเกิดขึ้นในจิตนะถ้าเราไม่รู้ทันเราจะไปหลงเชื่อหลงคิดหลงเอาจริงเอาจังกับมันนะจนกระทั่งมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชาเนะาะอวิชชาจะแปลว่าไม่รู้ มันก็อาจจะมันไม่ใช่แบบไม่รู้แบบเหมือนเช่นเราไม่รู้ภาษาเอธิโอเปียแบบนี้เนาะมันไม่ใช่ไม่รู้แบบไม่ฟังไม่เข้าใจเลยอไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่ไม่รู้แบบนั้นนะอแต่อวิชชาจริงๆคือมันแปลว่ามันรู้แต่มันรู้ไม่ตรงรู้ไม่ถูกเช่นเห็นร่างกายนี้ยะ เราก็มันเป็นร่างกายจริงๆเราก็เราก็ว่าเป็นของเราจริงๆเนะเราก็เนี่ยเราก็แยกถูกนี่คือร่างกายมนุษย์นะไอตัวสี่ขาที่อยู่หน้าอสมก็เรียกว่าร่างกายของหมาเราก็เรียกมันถูกเราก็แยกถูกต้นไม้หลายคนก็แยกถูกว่าต้นอะไรนะอันนี้ก็เป็นสมมุตินะ แต่คำว่าไม่รู้นะหรือว่าอาวิชชาเนะี่ยคือไม่รู้ว่าความจริงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะีนะ่ยมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะหรือรู้ว่าอะไรคือสมมุติอะไรคือปรมาติ์ นะรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือความดับทุกข์ทางคนทุกข์อันนี้คือตัววิชาคือมันเป็นตัวรู้ตรงนี้นะแต่ตัวอวิชชาเนี่ยเรารู้สิ่งภายนอกเยอะแยะมากมายเลยนะนะรู้สมมติมากมายเลยแต่สิ่งที่เรามีรู้คือเราม่รู้ความจริงแท้นะเราไม่รู้นะ ว่าทุกคืออะไรทางดับทุกนะหรือว่าการพ้นทุก์มันเป็นแบบไหนอันนี้แหละคือสิ่งที่มันไม่รู้บางทีเนี่ยถ้าเราไปรู้แค่สมมติไปรู้แค่ภายนอกเนี่ยไม่รู้สิ่งที่เป็นป ร, รมาิความจริงแท้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราหลงหลงยึดหลงทุกอยู่อยู่ร่ำไปเนาะ มาศึกษาตัวเราเองก็ดีนะจะเรียกว่ามามาปฏิบัติธรรมก็ดีนะจะเรียกว่ามาภาวนาก็ดีเนี่ยก็คือเนี่ยน่ะถลุงความเห็นผิดนะถลุงความเข้าใจผิดถลุงความยึดมั่นถือมั่นนะในความเชื่อความเห็นความยึดต่างๆเนี่ยแหละถลุงคือการย่อยคือการแยกคือการละนะอื ละความเห็นผิดนะ่มันก็กลายเป็นเห็นถูกนะเหมือนละความมืดด้วยการเปิดไฟนะสถานที่นี้มันก็สว่างขึ้นมานยะมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละเหมือนพวกเราก็นั่งอยู่ที่นี่นะอาจจะมามองเห็นไม่ชัดเพราะไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมนะแต่ไม่ใช่พวกเราไม่อยู่เราก็อยู่นะแต่พะเมื่อเปิดไฟขึ้นมาก็เห็นชัดเจนขึ้นปัญญาก็เหมือนกันนะ นะกุศลอกุศลทุก์หรือทางคนทุก์เนี่ยมันอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะมันใช้ประโยชน์ไม่เป็นนะนะบางอย่างมันก็เห็นอยู่นะแต่มันทําไม่เป็นนะเช่นสมมติคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคนไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาเนะี่ยก็ใช้มันไม่เป็น แต่ถ้าคนเคยเรียนเศึกษาก็จะใช้มันเป็นการภาวนาก็เป็นเครื่องมือนะเป็นวิธีการที่จะทำให้เราพาพาจิตพาใจนะไปเข้าถึงความจริงเนอะรูปแบบการภาวนาเนะี่ยคือเป็นเครื่องมือเป็นอุบายเป็นพาหันะนะพาหันะที่จะนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์นะ แต่สุดท้ายพวกพุทธเจ้าก็สอนนะสัเพเทธรร ม, มานารังอภินิเบศายะสิ่งทั้งหลายทุกวมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอุศนก็ดีอผุศนก็ดีนะหรือแม้แต่มรรคผลอะไรก็ดีนะคือทำที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเปรียบเสมือนเหมือนเรา จะข้ามฝั่งนะเรานั่งเรือเรานั่งแพเมื่อเรือหรือแพนั้นไปเทียบฝั่งแล้วเราก็ต้องขึ้นแพนะไม่แบกแพไม่ยกแพขึ้นไปด้วยหรือเรานั่งรถก็เหมือนกันรถพาหนะก็พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าเราไม่ลงจากรถเราอยู่แต่บนรถเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปนะ ไปใช้สถานที่ที่เราอยากจะไปถึงนะแล้วก็เราเรียกว่าเราอยู่บนรถเช่นเราไปกรุงเทพนะเราก็ขับรถไปถึงกรุงเทพแต่เราก็ไม่ยอมลงรถเราก็ไม่ถึงกรุงเทพนะถึงโดยที่แต่ไม่ถึงโดยการได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันการภาวนาทุกอย่างก็เหมือนกันน ะ, ะไม่ว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนะ เหมือนเป็นเครื่องมือเป็นอุบายนะเป็นการความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นนะเพื่ออะไรสุดท้ายนะ่ะคือตัววิมุตตนะ์น่ะตัวหลุดพ้นตัวพ้นจากความทุกข์นั่นแหละคือตัวที่สําคัญนะเราถึงแล้วแล้วก็เดินข้ามขึ้นไปฟังนะไม่เดียวหลังไม่แบกบมันขึ้นมาด้วยอันนี้คือเนะี่ยเราก็ต้องภาวนาให้มัน มันถึงขั้นนั้นนกักมันถึงจะพ้นจากความทุกข์ไดนะ้ก็อาศัยนี่แหละนะอาศัยการทำในรูปแบบเนาะรูปแบบกนะารภาวนาก็คือเดินจงกรมนั่งยกมือสร้างจังหวะนะหรือว่าจะรูปแบบการทำกรรมาฐานแบบไหนนะแต่ขอถ้าเป็นเรื่องแนวที่มันทำให้เกิดสตินะ เรียนรู้สติปัฏฐานเคียนะก็คือทางที่จะพ้นทุกข์ได้หรือการที่เราเกี่ยวข้องกับการงานนอกรูปแบบนะแล้วก็ใส่กันกลับมาคอยรู้ทันโดนะยเฉพาะรู้ทันใจรู้ทันใจคือรู้ทันความรู้สึกรู้ทันความคิดนะรู้ทันอารมณ์นะ คอยคอยกลับมารู้ทันพวกนี้แหละนะเราก็จะเข้าใจเราก็จะเห็นความจริงได้มันก็จะเป็นการภาวนาที่สมดุลกันเนาะแต่ก็อยากให้พวกเราได้ได้จัดสรรเวลาเนาะได้จัดกรรเวลาเนาะเนี่ยบางทีเรามีงานางานพัฒนางานนั่นงานนี่หลายๆอยา่างนะที่เราอยากจะทำให้กับอาสมนะ เราอยากจะทำให้กับชุมชนที่เราได้อยู่เกี่ยวข้องนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่พวกเราได้มีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จิตที่อยากจะนะทำให้เกิดประโยชน์นะมันก็ดนะีแต่ก็อย่าลืมงานงานในจิตของเราเองด้วยนะคือการพัฒนาจิตใจนะก็นะควร แบ่งนะควรแบ่งเวลาเพื่อการภาวนาในรูปแบบนะในทุกๆุกวันนะแบ่งเวลาในการภาวนาในรูปแบบแล้วก็หรือว่าก็พยายามเก็บเกี่ยวนะกิจวัตรที่มันจะเอื้อในการภาวนาเช่นเดินบิณฑบาตนะแล้วก็พยายามเดินอย่ามีสตินะเป็นชั่วโมงนี้ก็ได้ความรู้สึกตัว หลายพันครั้งนะหรือฉันอาหารแล้วนะก็รู้สึกในการนะในการฉันแต่ละคำยังมีสตินะพวกกิจวัตรต่างต่างนียก็จะช่วยในการขุดสติได้ได้ดนะีหรือไม่แต่งานนอกรูปแบบเองแล้วก็พยายามคอยรู้ทันมันให้มากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้เนาะนะให้เราจัดสรรชีวิตนะ ในการกระทำในรูปแบบนะตามให้มันมีทุกวันเนาะวันไหนก็จัดสันมากบ้างก็ได้นะหรือบางทีงานมากงานเร่ง ก, ก็น้อยบ้างแต่ก็ไม่ให้ไม่ถึงจะถึงขั้นแบบไม่มีเลยเนาะนะโดยเฉพาะเรามาอยู่อยู่ที่อาสมอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ อาศัยสถานที่เพื่อการภาวนาเนาะแล้วก็คอยระ ล, ลึกแม้เราทําการทํางานอย่างอื่นนะเราก็รึกว่างานนี้ก็เราจะไม่ลืมภาวนาเนาะเราเอาการภาวนาการมีสติเอาไปใช้ในการรู้ทันร่างกายหรือทันจิตใจนะรู้ทันว่าอะไรคือสมมุตริรู้ทันว่าอะไรคือปรมัตนตะ์รู้ทันว่า ภายนอกเป็นแบบไหนแต่ภายในจริงแท้ของทุกอย่างก็เป็นใจรักทั้งนั้นแหละเนี่ยมันจะเป็นตัวแสดงนะแสดงความจริงให้เห็นนะเปิดเปิดของที่ปิดหายของที่คว่ำเหมือนเราหลับตาเราก็มองไม่เห็นพอลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเหมือนเราอยู่ในที่มืดมันก็มองไม่เห็นเมื่อเปิดไฟหรือ ่ายไปใช้มันก็มองเห็นเนี่ยธรรมะคือตัวเปิดเปิดสิ่งที่ปิดให้ออกมาเปิดอวิชชาคือความรู้ที่มันรู้ไม่จริงนะรู้แบบผิดๆเปิดให้แสดงความจริงว่าไอ้ที่ถูกหรือตัวจริงแท้มันคืออะไรเนาะเนี่ยเราก็ต้องฝึกแบบนี้แหละ ก็เมื่อจิตมันเข้าใจว่าอะไรคืออกุศลอกุศลคือบาปนะภาษาง่ายๆบาปนั่นแหละคืออะไรกุศลนะบุญคืออะไรนบาปบุญคืออะไรหรือบางคนก็เนีเรียกว่านรกสวรรค์นะคืออะไรเนี่ยสวรรค์นั่นคือบุญนรกคือบาปอใจแบบไหนเป็นบุญ ใจแบบไหนเป็นบาปใจแบบไหนตกนรกใจแบบไหนขึ้นสวรรคนะ์เราจะเข้าใจอะไรกุศลอะไรอกุศลแลวสุดท้ายมันก็จะเข้าใจนะอะไรคือนิพพานนิพพานหรืออะไรเรียกง่ายๆว่าอะไรคือสภาวะปกติอะไรคือสภาวะที่มันนิ่งมันเฉยมันรู้นะ เป็นการนิ่งเฉยแบบรู้ตัวอันนี้เนาะจะเรียกสภาวะปกติสภาวะนิพพานนะก็ได้สภาวะพุทธะก็ได้นะี่ยให้เราสัมผัสดองดูเนาะนะเอาใจมันสัมผัสไปแล้วมันก็จะเกิดความอื้อืในใจเองแหละอะไรมันก็จะรู้ตัวเองแหละทําไปเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นนิพพาน่้มันก็จะรู้ตัวของมันเองนะ ไม่ต้องอาศัยคนอื่นการันตีไม่ใช่ไปเชื่อดมลมแรงแร้งเนี่ยไปเชื่อแบบเดี๋ยวก็เชื่อนั่นเชื่อนี่สแสวงหาไปเรื่อยแต่สิ่งสำคัญคือเชื่อกันกระทําเนี่ำของเราเองเชื่อความจริงที่มันมีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละว่ามันมีจริงเราทําจริงเราก็ย่อมย่อมเห็นผลจริงเนี่ย เราดูกายดูใจเมื่าต้องเห็นความจริงของกายของใจจริงนหะนะก็ต้องพิสูจน์ดูนะพิสูจน์เนีธรรมะเป็นนะเป็นการท้าเนะี่ยท้าให้มาดูนะนะเชิญชวนท้าทายให้มาศึกษาให้มาดนะูมาดูว่ามันไม่ได้ล้าสมัยนะมันเป็นากาลวิกโกมันเป็นสิ่งจริงแท้ที่มัน ความจริงนี่ไม่ได้หายไปกับโรคนี้แล้วก็อาการเลโกว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อนั้นด้วยอันนี้คือความจริงที่ธรรมะท้าให้พวกเราพิสูจนะ์เนาะเราก็มาพิสูจน์ดูพิสูจนะ์แล้วได้ผลแล้วก็ค่อยปมใจเชื่อแต่เป็นการเชื่อที่ไม่ใช่เชื่อเพื่อเพื่อไปอวดใครนะไม่ใช่อึ้งไม่ใช่เชื่อ เพื่อจะขมใครแต่เป็นความเชื่อที่เป็นหลักให้กับใจได้มีที่พึ่งเป็นความเชื่อที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจว่าอยู่ที่ไหนเราก็มีเครื่องอยู่นี่เป็นความเชื่อเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตให้ไปสู่ทางที่ดีขึ้นหรือว่าทางพ้นจากความทุกข์ที่ใสเชื่อจนกระทั่ง เนี่ยเป็นการกระทำทำแล้วก็เกิดผลเนี่ยเกิดแล้วก็วางได้เน้นได้นี่แหละคือน็อกก็ให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติกัน